ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งเห็นผิดไปหัดรู้จักสภาวะนะดูไปเรื่อยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วรู้สึกไปดูเล่นๆแต่ดูบ่อยๆะอย่าไปจ้องไว้ดูสบายๆคอยรู้สึกเอารู้สึกแล้วมันเป็นไงก็ไม่แทรกแซงเห็นเห็นกิเลสเกิดขึ้นนี่กิเลสเกิดขึ้น อ, นอย่าไปเกลียดมัน ถ้าใจเกลียดมันก็รู้ทันความสุขเกิดขึ้นใจไปชอบมันก็รู้ทันนะเะฉนั้นหัดดูสภาวะนะดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะสอนเราให้เห็นไตรลักษณ์มีแต่ความไม่เที่ยงอย่างใจของเราเนะเปลี่ยนตลอดเวลาวแบบวแวบวบแวบตลอดเวลามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งนานๆไม่ได้ยกเว้นแต่ไปเพ่งเอาไว้ เอาเข้อจริงก็บังคับไม่ได้เช่นสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้นะห้ามมีความทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้ข อ, ของจริงมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเราดูไปทำไมดูสภาวะที่เป็นรูปธรรมนำมาทำไปดูไปทาไมดูไปจนวันหนึ่งเห็นความจริงว่าสภาวะธรรมมีอยูนะ่มีเหตุก็เกิด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 นี่ความรู้สึกของเรานั้นอะไรต่ออะไรของเราเมื่อมีตัวเรานะั้นมันมีตัวเขามีของของเราขึ้นมาด้วยมีของของเขาขึ้นมาด้วยมันมีตัวเราจริงจริงพอตัวเรานี้แปรปลวนไปไม่ได้อย่างใจนั้นก็มีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าแยกออกไปนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือสภาวะนั่นเองสภาวะที่เป็นรูปธรรม ท, ที่เป็นนามธรรมเราจะเห็นในรูปธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรานามธรรมก็ไม่ใช่ตัวเราแยก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 อยากให้มันดีตลอดอยากให้มันสุขตลอดมันอยู่ไม่ได้เราก็กลุ่มใจใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่เห็นความจริงนะว่ามันไม่ใช่เราได้คิดว่ามันเป็นเราขห้นมนก็มีความทุกข์จิตใจก็เหมือนกันนะเดี <c oughs> ๋ยวก็สุขเดี <c oughs> ๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี <c oughs> ๋ยวก็ร้ายเราก็สำคัญผิดอย่างจิตมันโกรธเราก็สาคัญผิดว่าเราโกรธจิตมันโลภเราก็สาคัญผิดว่าเราโลภจิตมันหลงนะจิตมันไปคิด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 นะอ่านจนป่านนี้ยังอ่านสารบัญ <c oughs> อ่านได้แต่สารบัญโอ้ยทำไมมันยากงั้นยากป่านนั้นนะมีศัพที่เราไม่รู้นี่เยอะเหลือเกินนะอ่านอ่านโดีจังนะท่านสอนบวกศาสนาพุทธเนี่ยสอนวิพัชวิธีวเวนสารีพอพานไว่นาอากาศชอช้างมีพัชช้าว่าจับมันแยกออกไปแยกออกไป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 เหมือนไฟเนี่ยจับกี่ทีก็ร้อนทุกทีก็คงที่อยู่อย่างนัน้นั้นเราไม่ได้แยกอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ช่วยย่อยให้เพราะลบากพยายามแยกใหญ่แยกดึงดึ ง, ด, งดึงใหญ่นะหาทางทั้งดึงทั้งผลักนะะแทบจะเรียกว่าเอาเท้าถีบมันเลยถีบทั้งนี้ก็พยายามเหนียวนะอยให้มันแยกนะทําอยู่อาทิตย์หนึ่งนะหลุดออกมาได้อดีจังเลยหลุดออกมาแล้ว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 คิดเอานะว่าถ้ามันหลุดออกมาได้ตลอดนี่ต้องเป็นพระอะหันแน่เลยเพราะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเลยจิตไม่เห็นเจตสิก <c oughs> น, นี่ไม่เข้าใจเลยนะเนื้อ <c oughs> ฟัดกับมันอยู่อย่างเนี้สามเดือนะถ้ามันหนักๆ ก, ก็แยกไปหนักๆ ก, ก็ไม่ใช่จิตนะแยกไปค่อยๆแยกค่อยๆย่อยค่อยๆ ย, ย, ย, ย, ยสลายสิ่งที่ไม่ใช่จิตไปได้วยเพเอาจิต ฝึกอยู่3เดือนนะไส่งกันบ้านหลวงปู่ดูดนะกะว่าท่านชมแน่เลยว่าเราฉลาดฉลาดลูกศิษย์คนนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะสามารถแยกเอาจิตอตอกมาได้แล้วไปนึกว่าท่านจะชมนะท่านบอกไปยุ่งกับอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยไปไ ป, ไปกลับไปทำใหม่ที่ทำอยู่ผิดแล้วที่ถูกก็เป็นไงไม่บอกนะรู้อย่างเดียวว่าที่ทำอยู่ผิดเอไปพยายามแยกมันใี้ผิดนะ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 ผู้รู้กับจิตอาจจะคนละตัวก็ได้นี่คิดไปอย่างนั้นอีกนะเสร็จแล้วมาดูอยู่ตรงนี้อีกคราวหนึ่งไปหาหลวงปูดด่โดนอีกหลวงปู่จิตเนะี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนแน่ให้ท่านชี้ขานะมันตั้งอยู่ที่นี่หรือมันตั้งอยู่นี่เราก็คิดว่าต้องดูตรงนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ดูขันมันทํางานมันเกิดดับกะว่าคําตอบคําตอบสุดท้ายที่ท่านจะฟันทงเนยะต้องอยู่กลางหน้าอกนี่ท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้ง สเสียงท่านจะบอกจิตม่มีที่ตั้งฟังแล้วอะไม่มีที่ตั้ง้จะดูที่ไหนอ่ะอันนี้คราวนี้งงนะงงอยู่หลายปีเลยนะจนสิ้นหลวงปูดด่โดนไปจะถามท่านอีกนะว่าหลวงปู่ครับจะตั้งขยายความหลวงปู่ผมจะควรจะดูไอ้ตัวเนี้ยหรือผมควรจะดูตัวนี้สงสัยนะเอาไว้ดูเองก่อนนะเดี๋ยวค่อยถามทีหลังนะถามมากนะักเดี๋ยวหลวงปู่ว่าเราขี้เกียจ ด, ดู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 นะทุกๆตัวนะล้วนแต่แสดงใจรักนะทำไมจะต้องเพ่งเล็งไปดูตัวใดตัวหนึ่งนะทั้งหมดเนินะแสดงใจรักเหมือนๆกันหมดเลยเราดูสภาวะทั้งหลายเสมอภาคกันหมดนะสลัดทิ้งหมดเลยนะใจไม่ได้เอาไม่ใช่ทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้ถนะ้าทิ้งตัวนี้แล้วเอาตัวนี้ไว้เนะี่ยมันเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามิจะติดอยู่ตรงนั้นเราไปไม่รอดลนะนะสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่เนะมื่ยี่20กว่าปีก่อน20เท่าไหร่26ปี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 แต่ที่บริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยเหมือนเขาวัวเขาวัวมีนิดเดียวนะขนวัวมีเยอะยังมีขนลิงขนข้างขนช้างขนม้าอะไรเหมือนคนทั้งโลกเนะยอะแยะนะมีเยอะแยะแต่คนที่หลุดออกมาเหมือนเขาวัวมีสองอันนะมันมีน้อยทาไมมีน้อยเพราะไปติดอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละจะเอาตัวหนึ่งนะจะไม่เอาตัวหนึ่งจะเอาตัวนี้ไว้จะไม่เอาตัวอื่นนะ ยังเอาอยู่ยเอาอยู่ยังเกิดอีกอย่งยังต้องสแสวงหาอยู่ยังดิ้นรนอยู่เกิดอีกเฉนั้นภาวนาจริงๆไม่ใช่เพื่อจะเอาตัวไหนทั้งสิ้นหรอกภาวนาเพื่อให้เห็นในทุกสิ่งมันไม่มีตัวเราเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆมีแต่สภาวะธรรมนะระูปธรรมนามธรรมาตัวจิตที่เป็นสภาวะธรรมตัวรู้เป็นสภาวะธรรมตัวเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบจิตเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงนะ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 เราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้น้ําหอมนะเก็บไว้หลายวันกลายเป็นน้ําเน่า น, น, น้ําเหม็นเเราก็เห็นเออแตล่ตละอันตราะอนมันเปลี่ยนไม่คงที่จิตนี้ก็ไม่คงที่หรอกเดี๋ยวก็เป็นจิตโลภ <truthful. S 2> เดี๋ยวก็เป็นจิตไม่โลภ <erus. S 2> เดี๋ยวเป็นจิตโกรธเดี <spreadshe> ets, ๋ยวเป็นจิตไม่โกรธเดี๋ยวเป็นจิตหลงเดี๋ยวเป็นจิตไม่หลงแต่ถ้าเราไปจ้องใส่ตัวรูม้มันจะรู้สึกเที่ยงพอเพ่งใส่ตัวรู้จะเป็นผลมนะจะไปเป็นผีใหญ่เป็นผลมนิ่งๆอยู่อย่างนั้นเองรู้สึกเที่ยง แต่ถ้าเราเห็นในจิตมันทํางานมันเกิดด mm ับ hmm. ม <Enfin, S 2> ันเกิดดับร่วมกับเจตสิกแต่ละดวงแต่ละดวงเจตสิกแต่ละดวงมันไม่เหมือนกันเช่นความโกรธกับความโลภไม่เหมือนกันจิตที่โกรธกับจิตที่โลภมันก็เลยไม่เหมือนกันเราเห็นเลยว่ามันเป็นคนละดวงกันเราเห็นแล้จิตเป็นคนละดวงคนละดวงเราเห็นจิตเป็นคนละดวงได้นะเพราะว่าเจตสิกที่มาประกอบกันเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนไปเราก็เลยเห็นเลจิตก็เกิดดับเหมือนกัน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 แต่พอเผลอเมื่อไหร่นะก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราขึ้นมาอีกนะต้องดูไปด้วยจนวันหนึ่งเกิดอริยามรรคสดาปฏิมรรคตัดชับก็ให้ทั้งจากนั้นจิตไม่เป็นเราอีกแล้วไม่มีเงาแห่งความเป็นเราเกิดขึ้นในจิตอีกต่อไปนะนี่ละแล้วเป็นสมุดเฉดประหารฝึกเอานะฝึกเอาไม่ได้ยากหรอกง่ายสุดๆเลยถูกเขาด่าแล้วโมโหรู้ว่าโมโหไปเห็นจิตมันโมโหไม่ใช่เราโมโหดูอย่างงี้นะเห็นร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนนะแต่ไม่ใช่คิดนะ